ให้พวกเราตั้งใจนอบน้อมแด่พระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นนอบน้อมแด่พระธรรมนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ตั้งใจสํารวมกายวาจาให้เป็นศีลสัมรวมใจให้เป็นสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาจเจริญพร เวลาเราเราจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือให้ได้ความพ้นทุกข์ที่นี่เราจะศึกษาเพื่อให้ถึงจุดหมายนั้นเนี่ยเวลาศึกษาแล้วต้องศึกษาให้ครบวงจรท่านแสดงทาบางครั้งแสดงเป็นชุด เป็นหมวดเราศึกษาบางทีเราไปสนใจเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปจับแยกมาทําให้บางครั้งมันเหมือนไปไม่ทั่วไปไม่ทั่วแล้วก็เลยไม่ถึงมันมีหลายหลายตัวอย่างหลายตัวอย่างที่ทําให้ศึกษาอยู่เรื่องเดียว จเจริญเมตตาเมตตาอย่างเดียวแล้วก็ไปไม่ถึงกรุณาหรือถึงกรุณาก็ไม่ถึงอุเบกขาไม่ถึงมุทิตาศึกษาเรื่องศีลก็ศึกษาเป็นข้อข้อไย่างงี้ไม่รู้ว่าศีลนั้นอยู่ในองค์ประกอบใหญ่มันอยู่ในส่วนไหนของคำสอนที่กาลังทำอยู่นี้มันอยู่จุดไหนจเจริญสมาธิก็เพ่งไปอย่างเดียว ไม่รู้ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยในภาพรวมแล้วมันอยู่ส่วนไหนมันทีก็เลยจมจมอยู่กับสิ่งที่ทำแล้วไม่ก้าวหน้าวันนี้จะมาพูดเรื่องศีลมีมีคนขอมีเทศตามคำขอด้วยนะมีคนขอบอกว่า มาเรียนเรื่องการเจริญสติเรียนภาคปฏิบัติได้ยินแต่ภาคปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเลยไปเลยข้ามเรื่องศีลไปไม่ค่อยได้ฟังเรื่องศีลขอให้แจกแจงเรื่องศีลหน่อยมีใครเห็นอย่างนี้บ้างไหมคล้ายๆพวกอาตมาได้ยินก็นึกถือว่าคล้ายๆพวกฝรั่ง ฝรั่งเนี่ยมาถึงก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลมาถึงจะสนใจในเรื่องของปัญญาปัญญาก่อนแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปชักเห็นความบกพร่องของตัวเองเห็นความบกพร่องของตัวเองก็เลยเอ๊ะทำยังไงที่จะให้บริสุทธิ์มากกว่านี้เริ่มศึกษาเริ่มสนใจเรื่องศีลมากขึ้นเพราะเห็นว่าจิตรู้สึกว่ามันมันเป็นทุกข์ กับความบกพร่องที่ผิดพลาดศีลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมองได้หลายแง่ความหมายของศีลเนี่ยมันจะว่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบเพื่อความเพื่อความเป็นอยู่ที่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติระดับสูงขึ้นไปก็ได้ ศีลดีเคยได้ยินใช่ไหมศีลดีสมาธิก็จะดีสมาธิดีก็จะทำให้เกิดปัญญาเพราะนั้นศีลในระดับนี้บางทีเวลาเราไปขอศีลไปขอศีลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของความความที่เป็น ไม่มีพิษไม่มีภัยเราจะทําอย่างไรให้ไม่มีพิษไม่มีภัยตัวนี้ทำให้ทำอย่างไรให้กายวาจาของเราแสดงออกไปแล้วไม่เบียดเบียนกันไม่มีพิษไม่มีภัยเพื่อเป็นความพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปศีลไม่ใช่เพื่อรักษาให้ไว้เฉยเฉยศีลเนี่ยถ้าจะมองแล้วเนี่ยมันอยู่ในองค์ประกอบหลักก็คือว่าอยู่ในในมรรคเหมือนกัน ศีลเนี่ยถ้าว่าตามมรรคแล้วเนี่ยมมีองค์8มีองค์ประกอบแข้อไล่ถูกหมมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นะมีอะไรบ้างอาช่วยกันช่วยกันไล่ดูนะสัมมาข้อแรกเลยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอะไรอีกนะสัมมาวาจาสัมมากรมันตสัมมาอาชีวะอะไรอีกสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิครบหัหยเกินหรือเปล่าไม่เกินนะใน8ดข้อเนียเดี๋ยวทาทำนิ้วให้ดู8ข้อ8ดข้อเนียนะถ้าจะรวบให้เหลือ3ได้ไหมได้นะสองข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนของปัญญา3มข้อต่อมาเป็นศีล สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอชิวะนี่เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิอยู่ในหมวดของสมาธิจะว่าไปชื่อเต็มเมก็คืออธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาอันนี้เป็นอธิจิตตะสิกขาดังนั้นศีลในองค์มรรคเนี่ยมันก็กระจายออกมา กระจายออกมาศีลในองค์มรรคเนี่ยเอาเฉพาะส า, สาข้อที่เป็นศีลเนี่ยนะข้อแรกสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยท่านกระจายออกมาเป็นอะไรบ้างก็มีเว้นจากวจีทุจริตสี่อย่างวจีทุจริตสี่อย่างมีอะไรบ้างเออมีกลุ่มเน็ต กลุ่มนุนยังไม่เห็นพูดอะไรเลยมีเว้นจากคําพูดเท็จพูดคําสอเสียดก่อนนะพูดสอเสียดพูดคําหยาบแล้วพูดเพ้อเจ้อรู้จักส่อเสียดไหมรู้จักนะสอเสียดเป็นยังไงรู้จักที่ว่ารู้จักเนี่ยนะสอเสียดบอกได้ไหมเน็บแนมเหรอไม่ไม่ตรงเท่าไหร่รู้ไหม พูดให้แตกแยกพูดให้แตกแยกกันพูดคำหยาบพูดให้เขาเจ็บใจพูดเพ้อเจ้อพูดในเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่มีประโยชน์สั ม, ม, ารร ม, สส ม, มากรมันตะก็คือสมข้อแรกของศีลห้าสัมาะกมันตะ3าข้อแรกของศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่ง เว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติิดในกรรมส่วนสัมมากัมมันตะอสัมมาสัมมาอาชีวะเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดอันนี้ไม่แบ่งข้ออันไหนผิดไม่เอาเลยนะมันมีองค์ประกอบ ในเรื่องของศีลทั้งทั้งหมดเนี่ยมีองค์ประกอบศีลถ้านับตามในส่วนของมรรคเนี่ยนับได้แล้วกี่ข้อบวกซิบวกซิอ ส, สี่ข้อเองเหรอนับใหม่นับใหม่สัมมาวาจามีกี่ข้อสี่ข้อสัมมากรรมันตะมีกี่ข้อ สามข้อเป็นเท่านี้แล้วเอ๊ะ เ, เท่านี้แล้วอ่าและสัมมาอาชีวะมีกี่ข้อมีข้อเดียวเมื่อกี้บอกแล้วมีข้อเดียวไม่แบ่งอะไรมีข้อเดียวรวมเป็นกี่ข้อแปดข้อแปดข้อเนี่ยเรียกว่าศีลแปดอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ศีลแปดแบบไปบวชเนคขมะแล้วนะเป็นศีลแปดที่สําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ เป็นศีลแในองค์มรรคมีชื่อเฉพาะบอกเป็นคำศัพท์ไว้หน่อยนะเผื่อให้คุณคุ้นหูเอาไว้ก็เรียกว่าอาชีวธะธรรมกะศีลอาชีวถะถอาชีวะบวกอัดธรรมะกะแล้วก็บวกศีลมีสามศัพท์มาบวกกันอาชีวะธรรมะกะศีล มีจามาจากสับสามสับนะอาชีวะบวกอัตธรรมะกะแล้วก็บวกศีลอัตธรมะกะก็คืออัตตะนะอัตตะแปลวะ่า8ศีลก็คือศีลนะศีลแที่มีอาชีวะเป็นข้อสุดท้ายสัมมาอาชีวะเป็นข้อสุดท้ายกลายเป็นอาชีวะธรรมะกะศีลเคยได้ยินไหมถ้าเกิดมีคนบอกว่า มีศีลแปดอีกอย่างหนึ่งนะมีศีลแปดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ต้องไปถือแบบนุ่งขาห่มขาวก็ได้แต่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ก็มีคือศีลแบบที่ในองค์มรคที่ว่านี้คือเว้นเว้นจากคำพูดที่ไม่ดีสอย่างทำการงานที่เว้นจากข้อผิดพลาดอีกสามเรื่อง แล้วเลี้ยงชีวิตให้ชอบอีกข้อหนึ่งสัมมาอาชีวะเป็นศีลในองค์มรรคเคยได้ยินนะถ้าไม่เคยก็ได้ยินแล้วเมื่อสองนาทีเมื่อกี้นี้ในแต่ละข้อเนี่ยมีองค์คือมีองค์ประกอบว่าทำอย่างไรจรึงจะศีล น, นั้นผิดพลาดหรือขาดไป uh huh. ข้อแรกข้อแรกในเรื่องของวาจาก่อน เอาเรื่องวาจาก่อนหรือว่าจะเรียงตามเรียงตามศีลห้าก็ได้ถ้าข้อแรกของสีลห้าคือปานาติบาตเว้นจากปานาติบาตองค์ที่จะเป็นข้อตัดสีลว่าศี น, นั้นจะขาดหรือไม่ศีลจะขาดหรือไม่มีองค์ประกอบอยู่5อย่างในเรื่องของปานาติบาตคือสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตข้อ2องแล้วนะ ข้อสามเจตนาจะฆ่าข้อสี่พยายามฆ่าข้อห้าสัตว์นั้นตายครบองห้านี้ศีลขาดถ้าไม่ครบผิดข้อใดข้อหนึ่งหรือขาดไปข้อใดข้อหนึ่งศีลอาจจะไม่ขาดแต่ก็ผิด ถ้ามีเจตนาตัวสำคัญที่เจตนานะเจตนาจะฆ่าแต่ไม่ตายแค่บาดเจ็บอย่างนี้ศีลทะลุเคยยินไหมศีลทะลุไม่ขาดแต่ถามว่าผิดไหมผิดผิดมากไหมมากด้วยทำให้เขาเจ็บยิ่งทำให้พิการก็มากเหมือนกัน ถ้าไม่ถึงกับเจ็บเตรียมการให้เรียบร้อยแล้วคว้างไปสมมติมีอาวุธอยู่ฟาดไปไม่ถึงกับพิการไม่ถึงกับเจ็บแต่ทำให้เขาต้องตกใจแล้วเราก็เตรียมจะฆ่าเขาไว้ด้วยผิดไหมลงมือแล้วแต่ไม่โดนก็ผิดแต่ไม่ถึงกับขาดไม่ถึงกับทะลุเขาเรียกว่ามันด่างพร้อยนะ มันมีด่างมีพ้อยนะมันมีแบ่งกันด้วยนะเอาเป็นว่าถึงแม้ไม่ครบองค์ทั้งห้าข้อมันก็ผิดถ้ามีเจตนาที่จะฆ่าตัวตัวหลักใหญ่คือเจตนาจะฆ่าเจตนาจะฆ่าแต่เขาไม่ตายฆ่าผิดตัวผิดไหม <laughs> ผิดอย่า <laughs> งี้นะความผิดจะรุนแรงแค่ไหน มันมีองค์ประกอบอีกข้าคนนี้กับข้าคนนี้บาปเท่ากันไหมไม่แน่นะข้าคนนี้กับข้าคนนู้นบาปเท่ากันไหมก็ไม่แน่ข้าคนเดียวกันนี่แหละแต่ความโหดความอมหิตต่างกันความผิดก็ไม่เท่ากันท่านก็แบ่งนะแบ่งเบื้องแรกเลยเอาขนาดเป็นหลัก <laughs> ไปตัวโตหน่อยก็อาจจะไปฆ่าเขาอาจจะต้องใช้ความยังคิดหน่อยาอาจจะบาปกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าในบรรดาคนด้วยกันเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่จะบาปกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะสัตว์ตัวเล็กกับสัตว์ตัวใหญ่สัตว์เล็กผิดไหมก็ผิดสัตว์ใหญ่ไปฆ่าเขาผิดไหมก็ผิดแต่โทษต่างกันฆ่าสัตว์เล็กมีโทษหน่อยหนึ่งถ้าเทียบแล้วนะ ฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากกว่าเพราะอะไรเพราะต้องมีความพยายามมากกว่าใช่ไหมบีมดเนี่ยแปะตายแล้วใช่ไหมจะฆ่าสุนัขสักตัวต้องใช้พยายามมากกว่าจะฆ่าช้างฆ่ามา้าหรือฆ่าลิงมันต้องมีการวางแผนต้องไล่จับยังไงต้อง วางอาวุธแบบไหนต้องวางกับดักยังไงคิดมากวิธีการเยอะแม้แต่มีดฟันฉับไปในบะางทีมันไม่ตายแต่ยุงมาเนี่ยแปะเลือดแตกแล้วเลือดเราเองนั่นแหละแต่มันไปอยู่ในท้องยุงแล้วควรให้มันอยู่ต่อไปไม่ควรเอามันออกมาเปลือบเปลื้อนผิวหนังเราความพยายามในการทำเป็นตัวบ่งบอกว่า สัตว์ขนาดเล็กกับสัตว์ขนาดใหญ่ทำไมถึงผิดมากกว่ากันมีโทษมากกว่ากันสัตว์เล็กมีโทษแต่เมื่อกับเทียบกับสัตว์ใหญ่แล้วค่าสัตว์เล็กมีโทษน้อยกว่าค่าสัตว์ใหญ่มาตรฐานอีกข้อหนึ่งก็คือคุณคุณของสัตว์นั้นสัตว์นั้นมีคุณมากไหมสัตว์นั้นมีคุณมากไหมเช่นหมาด้วยกัน หมาด้วยกันหมาตัวนี้หมาบ้ากับหมาตัวนี้หมาที่ช่วยเฝ้าบ้านค่าหมาบ้ากับค่าหมาที่มีคุณกับเราค่าหมาบ้าก็ฆ่านะฆ่าสัตว์ค่าหมาที่มีคุณก็ฆ่าเหมือนกันแต่โทษของการฆ่าหมาบ้านน้อยกว่าฆ่าสัตว์คือหมาที่เฝ้าบ้าน สัตว์ต่างประเภทกันค่าหมาตัวหนึ่งกับค่าช้างที่ไปช่วยทำสงครามค่าช้างก็มีโทษมากกว่าเพราะมีคุณเพราะว่าช้างช่วยรบช่วยให้เราปลอดภัยจากข่าศึกสัตว์กับคนคนก็มีคุณมากกว่าเอ๊ะแต่ไม่แน่เนาะ <laughs> บางทีเรารู้สึกว่าคนคนนี้มันยิ่งกว่าสัตว์เอาเป็นว่าคุณของสัตว์นั้นคุณของสัตว์นั้นเนี่ยคุณมากมีโทษมากคุณน้อยก็มีโทษน้อยกว่าวิธีการวิธีการในการฆ่าฆ่าง่ายๆอย่างเช่นเมื่อกี้ตบยุงแปะตายกับยุงตัวนั้นนี่ย จับดึงขาทีละขายุงตายมมึนกว่าจะตายทรมานใช่ั้ยโทษของการทำให้ยุงตายจากการแปะตายกับดึงขาทีละขาดึงปากมึงปากดีนะักกัดฉันดึงวิธีการซับซ้อนโหดเหี้ยมมากกว่าเป็นโทษมากกว่า อีกอย่างหนึ่งที่มาตัดสินก็คือกิเลสกิเลสในใจกัดยุงกัดคันเผลอไปแปะกับมึงความโกรธโทสะที่เกิดขึ้นในใจกับเผลอไปไม่เท่ากันใช่ไหมกิเลสที่เกิดขึ้นมาไม่เท่ากันทำบาปคือฆ่าสัตว์ทำให้มีเกิดโทษขึ้นมาไม่เท่ากัน แบ่งออกไหมเดินเดินไปเดินชนคนด้วยความพลังเผลอด้วยความขาดสติของเรากับตั้งใจกระแทกไปเหยียบท้าเขาด้วยความเผลอกับตั้งใจกระทืบไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าโทษจากการผิดศีลข้อเดียวเนี่ยนะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายอย่าง ไล่ออกมาแล้วมีอะไรบ้างเมื่อกี้ใครจดไว้บ้างขนาดสรีระเล็กใหญ่อะไรอีกฮะคุณคุณของสัตว์นั้นอะไรอีกวิธีการอะไรอีกกิเลสของผู้ทาไม่ใช่กิเลสของผู้ตายนะกิเลสของผู้ทำรร พูดถึงเรื่องคุณเนี่ยนะคนด้วยกันเนี่ยคนไม่มีศีลกับคนมีศีลเราฆ่าคนมีศีลฆ่าคนมีศีลบาปกว่าใช่ไหมมีโทษมากกว่าฆ่าคนที่มีศีลกับฆ่าพระอริยะฆ่าพระอริยมีโทษมากกว่าใช่ไหมฆ่าพระอรหันมีโทษมากเป็นอนันตริยกรรมเลย ค่าพ่อแม่พ่อแม่เป็นปุถุชนเนี่ยพ่อแม่มีคุณกับเราถ้าเทียบก็บแล้วเนี่ยพ่อแม่ในมีคุณมากค่าพ่อแม่ก็กลายเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันเราเกิดมาได้ในโลกนี้มีความพร้อมที่จะมาปฏิบัติธรรม ม, มีอยู่มีกินท่านเลี้ยงเรามาจนเติบโตถึงแม่ไม่เลี้ยงให้ชีวิตเป็นคนมา ก, ก็มีคุณมากไปค่าพ่อค่าแม่ก็เป็นอนันตริยกรรมมีโทษมาก โทษมากเทียบเท่ากับฆ่าพระอาหารหันต์เทียบเท่าเลยนะพระอาหารหันต์แม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ท่านมีคุณกับโลกนี้นะมีคุณกับโลกนี้ไปฆ่าท่านเนี่ยทำให้โลกนี้ต้องขาดเนื้อนาบุญที่ดีไปองค์หนึ่งขาดผู้ที่จะมาสั่งสอนบอกทางพ้นทุกไปอีกองค์หนึ่งบาปมากเป็นอนันตริยกรรม กับพระพุทธเจ้าไม่ต้องถึงกับไปฆ่าท่านแค่ทำทำให้โลหิตห่อก็อนันตริยกรรมการทําให้บาดเจ็บก็ขึ้นอยู่ในข้อหนึ่งนี้เหมือนกันเป็นปานาธิบาแต่ทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จพระเทวทัตเนี่ยต้องการจะฆ่านะต้องการจะฆ่าแต่ทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จได้แค่เพียงโลหิตห่อรู้จักโลหิตห่อใช่ไหมห่อเลือดห่อเลือดห่อนี่สะกดยังไง หอหีบไม่โตไม่ใช่หอนคุไม่เอกนะ <S <S อันมันอีกเรื่องแนละ้วอันนี้หอ่อโลหิตห่อคือช้ำเลือดช้าเลือดพอเข้าใจนะนี่ข้อแรกศีลข้อแรกศีลข้อสองในเรื่องอยู่ในส่วนของสัมมากัมมันตะข้อสองที่ควรเว้นก็คือเว้นจากอธินนาทาน อธินาทานคือเอาของที่เขาไม่ได้ให้พูดง่ายๆขโมยลักแต่ว่ามันมีหลายแบบวิธีการขโมยกันหลายแบบเหมือนฆ่าเนี่ยนะฆ่าก็หลายแบบนะจะฆ่าคนให้ตายเนะี่ยไม่ใช่เอาปืนยิงเอามีดไปฟันอย่างเดียวนะฆ่าโดยวิธีจ้างวานก็มีจ้างวานเราไปจ้างวานเขาไอ้คนจ้างวานก็ผิดไอ้คนรับจ้างก็ผิด ผิดสองคนเลยนะตายคนเดียวจะผิดสองคนหรือถ้าทำหลายคนก็ไอผิดร่วมกันหลายๆคนนั้นวางเาเรียกวางกับดักเอาไว้จะอ้างว่าฉันวางเอาไว้แกมาเหยียบเองหรือแกตกไปเองเนี้ยไม่ได้ตั้งใจค่ามีเจตนาวางกับดักไว้เฉ ย, ยๆก็เป็นหรือกดปุ่มแล้วกระสุนมัน พุ่งไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันพุ่งไปบอกมันพุ่งไปเองไม่ได้ฉันไม่ได้ทำแต่คุณกดนิ้วกดปุ่มไปแล้วมันทาให้อาวุธพุ่งไปอย่างงี้ก็เรียกว่าผิดด้วยการพุ่งไปอาวุธนั้นพุ่งไปก็ผิดเหมือนกันหรือแม้แต่ใช้เวทมนต์เคยโดนไหมใช้เวทมนต์ไสยศาสตร์ ควายธนูเสกตะปูเข้าทองอะไรเงี้ยนะเป็นหมดเลยวิธีการใดก็แล้วแต่ใช้ริดใช้เวทมนจ้างวานวางขวากน้ำหรือใช้อาวุธพุ่งไปหรือลงมือด้วยตัวเองจะจะซึ่งหน้าแอบทำรับหลังเป็นหมดวางยาพิษเป็นหมด อธินาทานก็เหมือนกันก็มีหลายวิธีอธินาทานอธินาทานจะด้วยการลักการโกงการอะไรวิ่งราววิ่งราวไม่ใช่วิ่งราววิ่งราวการกันโชคยักยอกสับเปลี่ยน่สับเปลี่ยนก็ใช่หนีภาษีหนีภาษีก็เป็นใช่ห หนีภาษีสารพัดวิธีนึกอะไรได้บ้างวิธีการที่เอาของที่เขาไม่ได้ให้หนีภาษีนี่ก็ของที่ควรเสียให้กับรัฐหรือให้กับประเทศกับไม่เสียนี่ก็เป็นคอร์รัปชันในเรื่องต่างๆการขโมยก็คือของ ที่มีคนหวงของที่เขาหวงของที่ไม่ใช่ของเราแล้วมีเจ้าของข้อ2เจ้าของหวง3รู้ว่าเขาหวง 4. พยายามมีจิตมีจิตคิดจะรักจะมาเป็นของตัวเองแล้วพยายามเอาของนั้นมาแล้วรักมาได้รักมาได้นี่คือวิธีหนึ่ง จะเป็นการสับเปลี่ยนมาจะเป็นโกงมาจะวิธีไหนก็แล้วแต่เอามาเป็นของตัวเองโดยทางไม่ชอบอธินาทานสาเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จพยายามแล้วไม่สำเร็จศีลถึงกับไม่ขาดก็จริงแต่ก็ผิดลดหลั่นกันไปคล้ายๆกับเรื่องของข้อแรกศีลข้อแรกโทษของข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคา <laughs> หนึ่ง ราคาราคาของนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของมากน้อยแค่ไหนโทษนั้นก็มากด้วยมากตามไปด้วยสองคุณคุณของผู้ที่ถูกขโมยถูกลักหรือคุณของของบางทีก็เป็นของที่มีค่าแบบในทางคุณค่าต่อคนอื่นด้วยไม่ใช่ราคาอย่างเดียวเป็นคุณค่าทาง งจิตใจดังนั้นถามว่าตัดเสียนพระตัดเสียนพ ร, ราาพระมีราคาไหมพระมีราคาไหมไม่ใช่พระนี้นะพระพุทธพระพุทธรูปมีราคาจะบอกว่าพระก็อิดหินปูนทรายทองเหลืองทองแดงแต่มันมีค่าคนตั้งใจเอาไปเนี่ยมองมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่คนเขาก็นับถือศรัทธามีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีราคาแล้วคนเขาก็หวงผิดผิดเต็มประตูข้อสกาเมสุมิจฉาจางข้อนี้เนี่ยมาจากสับกาเมสุแล้วก็ มิจฉาจาระมิจฉาจาระมึมิฉาจาเนี่ยก็คือความประพฤติผิดการเมสซเนีคือในกามความประพฤติผิดในกามความประพฤตผิดในกามก็คือไม่ซื่ อ, ไ ม, อไม่ซื่อสัตย์กับกับคู่ครองของตัวเองหรือยังไม่มีคู่ยังไม่มีคู่แต่ไปผิดกับคนอื่นคนที่เขามีเจ้าของคนที่มีคนปกครอง ปกครองเป็นผู้ชายก็ไปผิดกับหญิงที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองเป็นผู้ที่มีพ่อแม่ปกครองผู้ที่มีพ่ออย่างเดียวปกครองหรือแม่อย่างเดียวปกครองใครก็ได้ที่ไม่ เ, เรียกว่าผิดในกามคือไม่ใช่ภรรยาของตัวเองหรือผู้หญิงก็ผิดได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็สอนผู้ชายเป็นหลักว่คงจะผิดเยอะเดี๋ยวในนี้ก็ต้องสอนผู้หญิงด้วย ทั้งทั้งสองเพศมีโอกาสผิดเรื่องนี้เท่ากันถ้าผิดในกามนะผิดในกามวิธีดูว่าจะขาดไหมศีลจะขาดไหมคือบุคคลนั้นเป็นบุคคลต้องห้ามหรือเปล่าก็คือเป็นภรรยาเราหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็สามีเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ <c oughs> เป็นบุคคลต้องห้าม <c oughs> มีจิตคิดจะเสพมีจิตคิดจะเสพพยายามเสพแล้วอวัยวะเพศถึงกันตรงนี้นะถือว่าศีลขาดแต่ถ้าไม่ถึงกับขั้นนั้นก็ศีลทะลุเช่นอาจจะแค่แตะเนื้อต้องตัวก็ศีลทะลุมีใจคิดจะเสพอย่างนี้ก็ผิดละคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คู่เรา ใจคิดจะเสพก็เรียกอะไรชูทางใจจิตก็ผิดละผิดทงตั้งแต่เกิดกิเลสขึ้นมาเลยมีจิตคิดจะเสพมันต้องคิดจะเสพด้วยนะแค่แค่มีราคะมันก็ผิดในเรื่องของมีมีอกุศลเกิดขึ้นในใจพอจิตคิดจะเสพนี่เริ่มเริ่มมาทางผิดศีลละผิดศีล มีเจ้าหน้าที่ของเมืองหนึ่งเมืองนั้นเนี่ยข้าวยากหมากแพงฝนแรงก็มาดูว่าอีกเมืองหนึ่งอ่ะเมืองกุรุเมืองกุรุทําไมฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลตกต้องตามฤดูกาลคือว่าไอ้ที่ควรตกก็ตกถึงเวลาฤดูที่ไม่ตกก็ไม่ตกนะคือเป็นไปตามฤดูกาลไม่จะตกทุกวัน ตกทุกวันก็ซักผ้ายากนะตกต้องตามฤ ด, ดูกาลก็ดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันแตกต่างกันระหว่างสองเมืองเมืองที่ฝนแรงก็เลยมาดูว่าประชุมประชุมอมาตข้าราชารข้าราชการทั้งหลายบอกว่าเราน่าจะมีข้อบกพร่องอะไรเรามีอเราอาจจะมีคุณความดีไม่เท่ากับคนเมืองโน้น เขาดูตัวเองเลยนะว่าตัวเองคงจะมีคุณความดีไม่เท่ากับคนเมืองนู้นคนเมืองกุรุเนี่ยได้ข่าวว่าพระราชาและคนในเมืองนั้นเนี่ยมีคุณความดีมีธรรมะที่ชุดศีลห้าเนี่ยธรรมดานี่แหละแต่คนสมัยนั้นไม่รู้จกักศีลห้ารู้แต่รู้แต่ว่าคนเมืองกุรุเนี่ยมีธรรมหข้อนี้ก็เลยเรียกกุรุธรรม แต่ห้าข้อนั้นนะ่ะมันยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าตัวเองไม่เป็นไม่เคยรักษาไม่ไม่รู้จักรู้แต่ว่าเขามีมีดีอยู่ห้าข้อรู้จักกันในชื่อว่ากุรุธรรมส่งอมาตไปเรียนส่งมาไปเรียนส่งอามาไปเรียนนะไปเรียนเนี่ยไปเจอกับพระมเหสีถามมเหสีบอกว่ากระหม่อมชั้นขอมาเรียนรู้ว่าที่เนี่ยมี มีคุณธรรมคนที่นี่มีคุณธรรมขอเรียนคุณธรรมห้าข้อที่เรียกว่ากุรุธรรมนั่นหละพระเพรีบอกว่าโอยังมาเรียนกับฉันเลยคุณธรรมห้าข้อเนี่ยฉันยังบกพร่องอยู่บกพร่องยังไงพระองค์ฉันนะเป็นไม่เหสีนะฉันเนี่ยนะเห็นพระอนุชาของสวามีของฉันเนี่ยแตงยศ อย่างดีเดินมาจิตเกิดราคะกับอนุชานั้นคือเห็นว่าโหรูปโฉมงามเหมือนคุณชายพุทธหรืออะไรเดี๋ยวนี้คุณชายแล้วละดูดีเกิดจิตเกิดราคะกับเจ้าชายองค์นั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกฉันบกพร่องอมตจากแคว้นนั้นบอกว่า แค่เนี้ยเหรอแค่เนี้ยเหรอถือว่าบกพร่องแล้วเหรอเออฉันบกพร่องแล้วเธออย่ามาเรียนกับฉันเลยฉันบกพร่องฉันยังไม่เหมาะที่จะเป็นครูเธอไปเรียนกับคนอื่นเถอะแล้วก็แนะนํำไปเรียนกับคนอื่นไปเรียนกับอัามาศไปเรียนกับพระราชาะี้แค่จิตคิดไม่ดีคือมีราคะกับบุคคลที่ไม่ใช่สามีตนพระนางก็รู้สึกบอกว่าฉันไม่บริสุทธิ์ฉันยังบกพร่องอยู่แค่นี้นะ ผิดแล้วอมารตอีกเมืองเราบอกว่าโอ้โหมีหน้าเมืองนี้ถึงได้อุดมสมบูรณ์เพราะคนเมืองนี้เนี่ยแค่ผิดในใจก็รืลึกได้แล้วแต่เมืองเราเหรอเมืองเราในเมืองไหนก็ไม่รู้นะเมืองทางในชาดกเป็นอย่างนี้กาเมซุมิชชาจาเนี่ยคิดเอาตั้งแต่ว่าจิตเกิดราคะคิดจะเสพ คิจะเสพบุคคลที่ไม่ควรเสพด้วยนใครก็แล้วแต่จะผู้ชายกับผู้ชายก็ผิดนะผู้หญิงกับผู้หญิงก็ผิดเหมือนกันนะเก็เรียกว่าทั้งเพศตรงข้ามและเพศข้างเคียงนี่สัมมากัมมันตะสามข้อนะพูดครบไหมเนี่ยบุคคลที่เราไปล่วงเกินทางเพศด้วยถ้ามีคุณมากก็ผิดมากมีคุณน้อย ผิดน้อยมีโทษน้อยแต่มีโทษไหก็มีอย่างชื่ออะไรได้ไปขมขืนพนางอุบบนมานาพนางอุบบนมนาเป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นิโกนหัวแล้วนะั้นเนี่ยเก่งๆอย่างนี้นะแต่ไอ้หนุมนั้นก็ยังเห็นแล้วก็เกิดราคะคื อ, อยังจาได้ว่าตอนที่ยังไม่บวชเนะี่ยโอ้สวย ผมยาวสลวยบวชแล้วยิ่งเปล่งปลัง่งไม่มีผมมามาแย่งความงามบนใบหน้าอีกยิ่งเปล่งปลังไปใหญ่เลยแอบรักมาตั้งแต่ก่อนบวชตามตือ้อไม่ยอมสึกข่มขืนเลยไปแอบใต้เตียงนะแอบใต้เตียงแผนเขานะแอบใต้เตียงก่อนเพราะพิสุนีพนางอุบลบรรณาก็เดินกลับมาในกุฏิไอ้นี่พอพนางกลับเข้ามาแล้ว โผล่จากใต้เตียงแล้วก็ขึ้นปล้ำเลยเรียกขมขืนขมขืนกับพระอรหันต์เสร็จเดินออกจากกุฏิธรณีสูบเลยโทษมากไม่ทันไม่ต้องไปขึ้นศาลเลยขึ้นศาลเตี้ยก็ไม่ทันมันพลุกลงไปเลยเนี่ยกับคนบุคคลที่มีคุณมาก มีโทษมากกับบุคคลที่มีคุณน้อยก็ยังมีโทษนะยังมีโทษพระไปเสพกับลิง <c oughs> ลิงมีคุณัหมมีคุณน้อยแต่ก็ต้องประราชิกนะเพราะนั้นกับใครถ้ามันผิดอย่าทำแม้จะมีโทษน้อยอย่าทำหลีกเว้นไว้ฆ่าสัตว์ถึงแม้จะมีตัวขนาดเล็ก มีโทษน้อยก็อย่าทำมันคือมีโทษต้องเว้นโทษลักของเล็กน้อยมีโทษน้อยก็อย่าทำเพราะว่ามันก็มีโทษอย่าทำผิดกับบุคคลแม้มีคุณน้อยมีโทษน้อยก็ไม่ควรทาผิดทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เจตนาศีลทุกข้อนะหลักเลยคือตรงเจตนามีข้อแรกมีจิตคิดฆ่าข้อ2มีจิตคิดจะลัก ข้อ3มีจิตคิดจะเสพกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่ของตนนี่สัมมากัมมันตะ3ข้อแรก3ข้อที่อธิบายไปส่วนสัมมาวาจามีอยู่4ข้อข้อแรกไม่พูดปลดเว้นจากการพูดปลดองค์ของเขาก็คือเรื่องเรื่องจริงแล้วคิดจะพูด ให้ผิดจากความเป็นจริงเจตนาจะพูดให้ผิดไปพยายามพูดคือพูดไปและคนที่ฟังนั้นเข้าใจไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้อย่างโกหกไปเนี่ย น, นะโยมฟังเข้าใจแต่ไม่เชื่อก็ได้การโกหกนั้นสําเร็จแล้วศีลขาดแล้วเช mm. ่นบอกว่า เชื่อไหมว่าอาตมาอายุยี่สิบปีสมมุติเจตนาจะบอกว่าโกหกกว่าตัวเองเนะี่ยยังเด็กอยู่นะอายุแค่ยี่สิบเองนะยังอออ้อยอยู่นะอย่างเงี้ยนะโยมฟังเข้าใจแล้วว่ายี่สิบแต่ไม่เชื่ออย่างเงี้ยนะหน้ามันฟ้องล่องออกอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกอเรียกว่าโกหกนั้นสำเร็จแล้วผิดแล้วเขาไม่เชื่อก็ผิด เพราะเข้าใจแล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจเช่นพูดอีกภาษาหนึ่งหรือพูดกับคนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยการพูดนั้นโกหกแล้วแต่ไม่ขาดศีลยังไม่ขาดแต่ทะลุแล้วตั้งใจโกหกแล้วพูดไปแล้วเพียงแต่เขาไม่เข้าใจหรือพูดรัวจนเขาฟังไม่ทันนี่นนะผิดแล้ว มันอยู่ที่เจตนาพูดให้ผิดจากความเป็นจริงข้อนี้นะส่วอีกข้อหนึง่งพูดให้เขาแตกกันยุให้เขาแตกกันเห็นเขาสามัคคีกันมีความรักใคร่กันมีจิตคิดจะพูดให้เขาแตกกันพยายามพูดไปเขาจะแตกหรือไม่แตกผิดแล้ว ก็จะแตกก็ไม่แตกผิดแล้วถ้าแตกกันผิดมากถ้าคนนั้นมีคุณมากแตกกันเราผิดมากมีโทษมากเดี๋ยวย้อนกลับไปข้อแรกถ้าเราการโกหกนั้นการโกหกนั้นเนี่ยทำให้ผู้ฟังหรือให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายมากความเสียหายมากมีโทษมาก ความเสียหายน้อยมีโทษน้อยถ้าอ้ำกันเล่นไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่แต่มีโทษไหมมีโทษอย่างเช่นมีเรื่องประกอบว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเห็นลุงคนหนึ่งกินเหล้าอยู่ในร้านเป็นลุงต่างถิ่น ไอ้หนุม่มคนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะหลอกลุงคนนี้แล้วจะให้ลุงคนเนี้ยเสียทรัพย์หรือแม้แต่เป็นทาสของตัวเองตัวเองก็มีพวกเยอะมาด้วยกันนะก็ตัดกระิบแผนกับเพื่อนแล้วก็เข้าไปหาลุงบอกลุงมาตั้งกติกากันไหมล่ะถ้าใคร สามารถพูดอะไรไปแล้วทำให้คนไม่เชื่อใครที่ไม่เชื่อคนนั้นจะต้องถูกริบสมบัติถ้าไม่เชื่อมากก็จะถูกเป็นาธาตเลยยอมไหมจะเล่นไม่เล่นเกมนี้ไหมลุงลุงแกก็กินอยู่ไอ้หนุ่มนั้นคิดว่าลุงเมาเมากินเหล้าเมาแล้วเนะเดาว่าเมาแล้วเ <laughs> ดาว่าเมาแล้วเดี๋ยวหลอกหลอกเอา อัทรัพสมบัติจนกระทั่งให้เป็นทาสให้ได้ลุงแกนั่งอะเอาสิลองดูไอหลานลองดูเอาว่ามาไอนี่ก็เลยบอกว่าเชื่อไหมเนี่ยที่บ้านฉันนะโอ้โหแม่ฉันเนี่ยตั้งท้องฉันมาเนี่ยนะแล้วเกิดแพ้ท้องอยากจะกินกินอะไรดีกินอะไรเปรี้ยว กินมะขามอยากกินมะขามตอนโยมแพ้ท้องโยมกินอะไรหรือไม่แพ้เลยไม่แพ้เอาเป็นว่าสมมุติว่าคนนี้ก็อยากกินมะขามก็เล่เานะแม่ชั้นเนี่ยนะแพ้ท้องอยากกินมะขามแต่ไม่มีใครเก็บให้ก็เลยใช้ชั้นเนี่ยให้ขึ้นเป็นต้นไม้ พยายามเล่าเว่อร์ๆนะให้ให้ลุงแกมานึกขึ้นมาว่าเอ้ยอะไรมันไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่ลุงแกก็ฟังไปเพราะกูจกํากติกาได้แล้วถ้าใครใครไม่เชื่อต้องเสียทรัพย์ฟังไปเรื่อยๆฉันเนี่ยนะแม่ฉันเนี่ยท้องขึ้นมาแพ้ท้องอยากกินมะขามไม่มีใครขึ้นให้ใช้ท่านเนขึ้นไปฉันก็ขึ้นไปแต่ตัวมันเล็กปีนไม่ได้เลยจับขาตัวเองเหวี่ยงขึ้นไปเล่าพยายามเล่าเว่อร์ๆไปเนี่ยจับไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นไปก็เก็บมะขาม โยนลงมาโยนลงมาจนท่วมบ้านแม่กินจนท้องป่องขึ้นมาเล่าไปเลยแบบเวอร์มากเลยลุงแกก็ฟังอืมอืมว่าไปว่าจนไอ้หนุ่มนั้นไม่รู้จะโม้อะไรต่อไปแล้วก็เลยบอกว่าลุงลุงเชื่อเหรอนะพยายามจะเข้าหาประเด็นว่าเชื่อไม่เชื่อนะลุงบอกทําไมอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่แล้ว เป็นไปนได้อยู่แล้วประเทศนี้มันใหญ่โตมโหัลาลมันอาจจะมีก็ได้ไอ้ต้นมะขามที่มันออกลูกเยอะๆอย่างงี้นะเหตุการณ์แปลกๆเยอะแยะไปหมดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในประเทศนี้เกิดขึ้นแล้วเชื่อเชื่อได้อืว่ามาว่ามาเล่ามาเรื่อยๆชอบชอบสนุกว่ามาจนแ น, น้นันหมดมุกหมดมุกไอ้เพื่อนเพื่อนก็พยายามช่วยกันเล่าลุงแกก็แม่นหลัก แม่นหลักว่ากูยังไงกูก็เชื่อลุงก็เลยบอกว่าอ้เงีง้หลานด้วยฟังลุงฟังลุง <c oughs> ที่เองเล่ามาทั้งหมดเนะเป็นไปได้ทุกอย่างเลยประเทศเนี่ยมีอะไรเป็นเป็นไปได้ทุกอย่างเลยบ้านลุงเนี่ยนะปลูกฝ้ายทำไร่ฝ้ายเองเชื่อไหม <c oughs> ปลูกฝ้ายทำไร่ฝ้ายฝ้ายแต่ละต้นเนี่ย สูงเท่าลําตาลต้นฝ้ายจะสูงขนาดนั้นไหมไม่เท่าใช่ไหมสูงเท่าลําตาลออกมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเป็นอะไรกระปาะก่อนใช่ไหมเป็นกระป๋อออกมาออกกิ่งออกมาเนี่ยหลายๆกระปาะหลายๆกิง่งแต่และกิ่งเนี่ยมีกระป๋ะออกมาบานฝ้ายบานออกมาจนทานน้าหนักไม่ไหวกิง่งหักนะกิง่งบางกิ่งเนี่ยยืดออกมาแล้วนะมันกลายเป็นธาตุ กายเป็นคนและเป็นธาตุรับใช้คอยเก็บฝ้ายนั้นต่อแล้วมันหนีมาพอดีว่าไอ้วงนั้นเนี่ยมีอยู่เจ็ดคนมันหนีมาเจ็ดคนสวยลวเลวยไอ้นั่นเลิกลากและ้ะเอาละมีชื่อด้วยลุงไม่รมู้ไม่รู้ชื่อของไอ้เจ็ดคนนั้นนะนะแต่ลุงสมมุติชื่อให้หมดเลยไอด้ดาไอ้แดงไอ้เขียวไอ้ม่วงเลยนะนะบอกไปหมดเลย นั่นกําลังเชื่อว่าชื่อกูม่าชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นไปเพราะถ้าไม่เชื่อกูจะโดนเป็นทาสเจ้าทั้งเจ็ดคนเนี่ยเป็นทาสฉันเล่นยี้เลยนะลุงแกเล่นมุกนี้เลยนะเจ้าทั้งเจ็ดคนเน่ยเป็นทาสฉันหนีมาจากบ้านฉันไม่ยอมเก็บฝ้ายมานี่มาเก็บฝ้ายซะดีดีแล้วก็ก่อนจะไปบ้านนะแวะศาลด้วยให้ศาลตัดสินด้วยว่าเจ็ดคนนี้เป็นทาสของตัวเองกติกานั้นยังคงอยู่นะว่า ใครไม่เชื่อจะต้องเป็นธาตุเลยตกลงมันก็เป็นธาตุเลยเสร็จลุงคำพูดแม้อย่างนี้ถ้าเป็นเราผู้ปรารถนาที่จะไปพ้นทุกข์ก็ไม่ควรพูดเพราะโกหกเป็นเรื่องไม่จริงนี่เป็นตัวอย่างของคนชาวบ้านโลกๆที่เขาพูดกันพูดเรื่องไม่จริงหวังผลประโยชน์ แม้เราก็ไม่พูดอย่างนั้นพูดสองอย่างแล้วนะที่ผ่านไปนะพูดโกหกพูดสอเสียดพูดคาหยาบพูดคาหยาบก็คือพูดให้เขาเจ็บใจพูดให้เขาเจ็บใจแต่บางคนแต่บางคนเนี่ยพูดด้วยความเคยชินบางคนพูดด้วยความพลั้งปากไม่มีเจตนาให้เขาเจ็บใจก็ไม่รับว่าผิดในข้อนี้ เช่นเช่นเพื่อนกันคุ้นเคยกันพูดกันมันจะมีไอน้นู่นไอ้นี่อะไรบ้างเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นคำหยาบเพื่อให้เขาเจ็บใจถ้าไม่พูดรู้สึกชักแปลกๆไอ้นี่มาเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรเรียบร้อยผิดปกติอะไรเงี้ยนะ